ทุกคนมีสิทธิเลื่อนชั้นภูมิของตนด้วยตนเองในตอนนี้ท่านผู้อ่านที่นึกถึงคำสอนที่ได้รับฟังและเชื่อกันมาตั้งแต่เดิมคงจะนึกสงสัยอยู่ในใจและอาจจะตั้งปัญหาถามขึ้นว่าวิญญาณที่ต้องทนทุกข์อยู่ในภูมิอันดำมืดสนิทหรือในภูมิอันเป็นสีเทาคือยังไม่ดำมืดสัทีเดียวนั้นจะต้องคงอยู่แดนนั้นตลอดไป ช่วอนันตารายหรือไม่ปัญหานี้ข้าพเจ้าขอตอบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเขาเหล่านั้นจะอยู่ในดินแดนเช่นนั้นตลอดไปเท่าที่จิตของเขายังไม่เปลี่ยนคือยังไม่ได้ขยับภูมิธรรมของจิตให้สูงขึ้นด้วยตนเองจริงอยู่มีบางคนได้อยู่ในดินแดนเช่นนั้นมาแล้วหลายพันปีแต่เวลาหลายพันปี ก็ยังเรียกว่าอนันตการไม่ได้ถึงแม้ว่าสำหรับผู้อยู่ในดินแดนเช่นนี้จะรู้สึกเหมือนว่าเป็นเวลาอันหาที่สุดไม่ได้ก็ตามแต่ความจริงก็ยังมีอยู่ว่าผู้ที่อยู่ในดินแดนเช่นนั้นสามารถจะทำให้พ้นจากภาวะเช่นนั้นได้เสมอถ้าเขาเห็นว่าเป็นการสมควรที่เขาจะกระทำเช่นนั้นดังนั้น ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ตัวของเขาเองว่าเขาจะเลือกอย่างไรหากวิญญาณที่อยู่ในอบายภูมิยังคงมีความดึงดันที่จะไม่ยอมเปลี่ยนทัศนะทางใจของตนแต่พอใจที่จะสยบอยู่กับความเห็นที่ผิดและลามกเช่นนั้นเขาก็จะต้องคงอยู่ที่นั้นตลอดไปชั่วกาลนานทั้งนี้ท่านผู้อ่านย่อมเห็นได้แล้วว่าอาได้เป็นเพราะมีผู้หนึ่งผู้ใด คอยบังคับกดขี่ให้เขาอยู่ที่นั้นใหม่แต่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการขยับภูมิธรรมแห่งจิตใจซึ้นเขาจะต้องพยายามทําด้วยตนเองแต่ในทันทีที่วิญญาณในอบายภูมิเหล่านั้นเริ่มรู้สํานึกในความผิดพลาดและความเคลาของตอนเองและต้องการที่จะกลับใจเสียใหม่เช่นนี้แม้เพียงชั่วขณะเดียวสภาพของจิตที่แสดงออก ซึ่งความรู้สึกสำนึกผิดเช่นนั้นจะปรากฏแก่สายตาของท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปในทันทีและในตอนนี้บรรดาท่านที่อยู่ในภูมิสูงซึ่งย่อมมีความการุณาใครที่จะช่วยสัตว์ผู้ตกทุกข์เหล่านี้อยู่แล้วก็พร้อมที่จะเสนอให้ความช่วยเหลือหรือให้คําแนะนำด้วยประการต่างๆจนสุดความสามารถที่ท่านจะกระทาได้เพื่อให้วิญญาณบาปหรือสัตว์นรกเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากอบายขึ้นมาเป็นลาดับ แน่ล่ะเรื่องเช่นนี้อาจไม่ง่ายเหมือนกับการเดินบนถนนที่ราบเรียบเพราะมันเปรียบเหมือนการปีนป่ายหน้าผาที่สูงชันแต่แม้ว่าหน้าผาหรือโกรกเขาจะสูงจะชันอย่างใดก็ตามเมื่อทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสัตว์นรกและฝ่ายเทพผู้ขอยให้ความช่วยเหลือมีความพยายามร่วมกันเช่นนี้แล้วความสาเร็จก็ต้องปรากฏในบั้นปลายจนได้เท่าที่กล่าวมานี้ละ คือการขยบชั้นภูมิของจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกๆคนสามารถจะกระทำได้ด้วยตนเองและการขยบชั้นภูมิของจิตดังกล่าวมานี้ก็มิใช่ว่าเป็นเรื่องของสัตว์นรกหรือผู้อยู่ในอบายภูมิเท่านั้นไม่อันที่จริงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่อยู่ในภูมิสุขติก็มีภาระที่จะต้องอบรมจิตใจของตนให้สูงและประณียิ่งขึ้นไปโดยลาดับเช่นเดียวกัน เพื่อว่าเราจะได้เลื่อนภูมิของเราให้สูงขึ้นเป็นลำดับการอบรมจิตให้พระนีตดังกล่าวมานี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงเลยและก็เป็นสิทธิทประจำตนของวิญญาณทุกๆดวงโดยทั่วกันแนวคิดอย่างหยาบยาบที่ว่ามนุษย์จะต้องถูกสาปให้รับการทรมานตลอดชั่วอนันตกาล น, นั้นเกิดจากความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง เี่ยวกับพระผู้เป็นบิดาแห่งสากลจักรวาลแนวคิดอันวิจารานดังกล่าวได้มีผู้เชื่อถือกันมาตลอดเวลานับเป็นพันๆปีและทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นแก่มนุษย์โดยทั่วไปว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาโดยไม่มีรากฐานแห่งความเป็นจริงอยู่เลยแม้แต่น้อยและบรดาผู้ที่ผ่านเข้ามาในภูมิอันเป็นทิพนี้ทั้งปวง ไม่ช้าก็จะได้ทราบความจริงโดยทั่วกันว่าความเชื่อกเก่าของตนนั้นปราะศะจากความจริงโดยสิ้นเชิงเราทั้งสามคือเอ็ดวินรูตและข้าพเจ้าผู้ทำงานร่วมกันในเรื่องนำวิญญาณของมนุษย์มาสู่โลกทิพนี้ต่างก็ได้ประจักษ์ว่าเมื่อผู้ที่มาถึงโลกทิพใหม่หมได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้แล้ว ต่างก็พากันถอนใจด้วยความโล่งอกไปตามๆกันทั้งนี้เพราะเขาเหล่านั้นส่วนมากก็อาจจะได้ทำความผิดความเสียมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องถูกพิพากษาโทษอย่างรุนแรงเช่นนั้นแต่ประการใดบุคคลเหล่านั้นกล่าวว่าที่เขาโล่งใจนี้นอกจากเพื่อตอนเองแล้วก็ยังพลอยโล่งใจเพื่อผู้อื่นที่ยังไม่ได้มีโชคดีเหมือนกับตน คืออาจจะได้ทำบาปมามากกว่าตนด้วยทั้งนี้เพราะอย่างน้อยก็ยังแสดงว่าจะไม่มีบุคคลใดๆต้องได้รับโทษหรือทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดกาลอีกต่อไปในขณะเดียวกันเขาก็ได้เห็นว่าในโลกทิพ์มีความยุติธรรมไม่น้อยกว่าโลกมนุษย์เหมือนกันเขาได้เห็นอีกด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าที่เขาเคยหวาดกลัวในสมัยเมื่อเขายังอยู่ในโลกมนุษย์นั้น อันที่จริงก็เป็นผู้ที่ทรงพระมหากรุณายัางไม่มีขอบเขตและจะมีขอบเขตไม่ได้เลยเป็นอันขาดพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมีลักษณะดังกล่าวมานั้นจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะคิดแก้แค้ลูกๆของพระองค์เองหรือคนหนึ่งคนใดได้เลยหมายเหตุผู้อัน ให้สังเกตนะครับว่าความเชื่อตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นั้นเคยเชื่ออย่างไรเมื่อตายไปก็มักจะเชื่อแบบนั้นจนกว่าจะได้พบกับความจริงในกรณีการเชื่อพระเจ้านั้นแม้จะยังไม่เคยเจอตัวจริงของพระเจ้าที่ตนนับถือแต่เขาเหล่านั้นก็ยังคงเชื่อต่อไปว่าพระเจ้ามีจริงในเรื่องนี้ก็ขอให้สังเกตนะครับว่าถ้ามีจริงในลักษณะเป็นตัวเป็นตนนั้น ของจริงที่มีคุณสมบัติวิเศษขนาดนั้นมีฤทธิ์ขนาดนั้นทำไมท่านจึงไม่ปรากฏกายให้เห็นบ้างในความเชื่อเรื่องพวกนี้ถ้าโดยทั่วไปก็ดูไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าในทางพุทธเราถือว่าเป็นความเสียหายยังมากเพราะเท่ากับเป็นการยังยึดถืออัตตาอย่างเหนียวแน่นจะทำให้รู้แจ้งในกฎไตรลักษณ์ไม่ได้ซึ่งก็หมายถึงจะนิพพานไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้นั่นเอง และสำหรับกรณีที่ว่าคนทำบาปไปตกอบายมีสิทธิ์เปลี่ยนภพภูมิได้นั้นแต่ความจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับและเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนคนหนึ่งได้ในคนที่ร่างกายปกติไม่ได้มีความทุกข์อะไรลองคิดดูนะครับแต่เราไปอธิบายเหตุผลให้เขาเปลี่ยนใจจากความลงผิดในบางเรื่องอยังเป็นเรื่องที่ทาได้ยากแต่ในอบายภูมินั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน การที่จิตจะนิ่งพอก็เป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกที่จะเข้าใจเหตุผลอะไรได้ลึกซึ้งให้นึกถึงคนกำลังเจ็บป่วยหรือร่างกายบาดเจ็บมีความเจ็บปวดทรมานอยู่มากเอาแค่คนธรรมดานะครับลองนึกดูว่าถ้าเราไปอธิบายอะไรให้ฟังกับความเชื่อที่เขามีอยู่เหนียวแน่นนั้นเขาจะมีอารมณ์ฟังได้เข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใส่ใจศึกษาธรรมะตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตอยู่นะครับ เราพบภูมิของมนุษย์นั้นเข้าใจหลักไตรลักษณ์ได้ง่ายที่สุดก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ